ท่านมันก็มาไม่ทันทยอยมาเรื่อยก็คงจะหล้านกว่าแต่ก็ใช้เงินใช้จิตตุปัจจัยดูแลพระสงฆ์ทั้งปีปีหนะ้าี่กับห้าสบห้าเนี่ยมาถึงวันที่17เจนี่ยใช้เงินทั้งหมดสองล้านหแสหนึ่งบาทที่เขารายงานหลวงพ่อวันเมื่อวันนั้นก็ใช้มากพอสมควรอยู่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 แต่รอบครอบเพาที่จะรอบครอบได้บางทีมันกเกินวิสัยเราก็มีอีกเหมือนกันเกินวิสัยเ้าก็ทิ้งให้กรรมกรรมคือการกระทาเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีในอดีตมันจึงมีผลตามมาถึงวันนี้เราทากรรมไม่ดีไว้ในอดีตผลกรรมที่เราได้ทำไว้แล้วในอดีตมันคงจะส่งผลมาถึงปัจจุบันในขณะนี้ตั้งแต่บัด น, นี้ไปสิ่งใดก็ตาม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 เลราอพะให้ผู้ให้ข้อมูลผิดนะอันนี้ก็นะี่ยแหะพระรหันนี่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ไม่มีอะไรที่จะตรงยิ่งกว่าพระไทยหรือใจของพระอรหันต์แต่ว่าปุตุชนให้ข้อมูลเข้าไปอบางทีท่านก็ไม่ได้ตรวจสอบและท่านก็พูดออกมาตามที่ได้รับข้อมูลมาเพราะว่าอย่างพระรหันมีอยู่หลายหลายประเภทหลายจําพวก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 เวลาองค์หนึ่งพอถึงเวลาบ่ายองคหนี่งก็ไปต้มน้ำํำไปต้มน้ําน้ําส่งแต่ทุกอย่างมันเอาเปรียบมาตลอดแล้วละ่ะแต่เรื่องนี้ก็ยังเอาเปรียบอีกอง์นี้ไปต้มน้ําพอไปต้มน้ําองค์นี้ก็ตื่นขึ้นมาไปพักผ่อนตื่นแล้วมามองเห็นน้ําในหมอกมีควันฉลุยขึ้นมาแล้วก็นนี่แหล ะ, ละเข้าไปกราบพระมหาเทระพระมหากัจสป่า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 แกจะมาสอนอะไรกับเราเนี่ยเราจะไปขยี้เดี่ยวนี่แหละเพราะว่าถนะ้าจะลิงกระโดดเข้าไปจะขยี้นกนกกรบินออกจากหลังเลยขยี้ในตลังหลังแหลกเล้ยวไปหมดโยนลงจากต้นไม้นี่แหละพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยนั้นน่ะนกกระมินน่นที่กัดส ป, ปะเนี่นยะลิงตัวนั้นก็คือพระภิกษุเกเรองนี่แหละสมัยนั้นก็เป็นลิงเกเร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 พาและชนไม่น่าจะทําความชั่วอย่างนั้นความชั่วจะทําเสเลยดีกว่าเมื่อทําไปแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทบว่าพระหานี่ยท่านรู้ได้ไหมว่าลูกศิษย์ทําอะไรทั้งที่ท่านพระมหากรตปาสกประเภทที่ว่าเตวิโชสละกิญโยปฏิสัมพิทัปปโต เป็นพระหรหัสสามจำพวกนั้นคือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์รู้จักอดีตอนาคตรู้จักการตักใจทายใจสแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินฟ้าได้คือพระหรหันเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปโตสามจำพวกแต่พระหรหัสสุขวิปัสโกเนรู้แต่ว่าตัวเองได้สําเร็จหมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจบไม่มีอิทธิฤทธิ์นี่แหละพระหรหัสในครั้งพุทธกาลในครั้งพุทธเจ้าไม่อยู่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 รู้แต่ว่าหมดกิเลสแต่พอเข้าสู่นิพพานแล้วเสมอกันทั้งสี่จำพวกไม่ได้ใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช่ไหมเสมอกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าแล้เนี่ยถ้าเป็นพระหรหันต์แล้วแปลว่าเสมอกันเสมอกันโดยธรรมเสมอกันกพระพุทธเจ้าพระรหันต์เสมอการไม่มีอันไหนยิ่งย่อนกว่ากันหลับพอนอนมรรนาให้พ้